บันดาญาโยนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สามในการเริญนเพระกรรมาฐานก็ขอแนะนำบันดาท่านพุทธบริษัทในตอนต้นก่อนเรื่องต้นเน่ลืมก็ไม่ได้นะอันดับแรกขอทุกคนรวบรวมกำลังใจทรงสินให้บริสุทธิ์ <c oughs> เรื่องสินนี่เป็นเรื่องสำคัญก็มีหลายท่านที่บ่นบอกว่าเวลาฝึกตอนหน้าครัวบาอาจารย์ก็ดี กลับไปบ้านไม่ดีเพราะว่ากลับไปบ้านสินกลอนอาจานนี้สินก่อนบ้างสินร่วงบ้างดีเดียวสินขาดถ้าสินไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีแต่ก็ถือว่าก็ถือว่าธรรมดาของค น, ค น, คนอาชีพบางอาชีพอาจจะขัดข้องหนึ่งสินถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเฉพาะเวลาที่เราจเจริญสมาธิตอนนั้นสมาทานสินซ ก, ก่อน แ้ะตั้งใจทรงศีลด้วยความเคารพก็หมดเรื่องกันเฉพาะเวลาได้วันนิดวันหน่อยมากๆเข้ากัากาสะสมตัวมากขึ้นเองในเมื่อตั้งใจทรงศีลดีแล้วต่อไปการฝึกสมาธิการฝึกสมาธิสองคืนที่แล้วมาพูดถึงนิวรณ์วันนี้ก็ไม่ขอพูดถึงละให้ใช่ลมตั้งใจตามนี้นิวรณ์จะไม่กวนใจ คือตั้งใจรู้ seconds, ลมให้ใจเข้ารู <c oughs> ้ลมให้ใจออกเวลาให้ใจเข้า <anticipating> ร <ite> <Luc ifer>. ู้ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวก็รู้ว่าให้ใจเข้ายาวให้ใจออกยาวก็รู้ว่าให้ใจออกยาวให้ใจเข้าสั้นกรู้ว่าให้ใจเข้าสั้นให้ใจออกสั้นก็รู้ว่าให้ใจออกสั้น ถ้าเรารู้ลมไม่ใจแบบนี้เวลานั้นิีวอนไม่กวนใจ <c oughs> ต่อไปก็ใช้คำภาวนาควบเป็นธรรมดาของการเจริญประกรรมฐานย่อมใช้คำภาวนาแต่ว่าสำหรับลมไม่ใจเข้าออกบดาย่าโยมทุกคนโปรดทราบ <c oughs> กรรมฐานกองนี้เป็นกรรมฐานต่อสู้กับรมฟุ้งซ่านถ้ามีรมฟุ้งซ่านคิดมากแค่มาเมื่ อ, อไร ถ้าจะเจริญกรรมฐานก็เลิกภาวนาเสียกาหนดใจเข้าไปรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออก <c oughs> อย่างนี้จะต่อสู้กันได้ถ้าภาวนาด้วยจิตจะพุ่งสั้นมากขึ้นเอาเฉพาะเวลาที่จิตมันจะพุ่งสันน้นนะถ้าสามารถควบคุมกลังใจได้พอทุก ค, น, คนก็ภาวนาควบคำภานาควบคู่กับลมหายใจสำหรับคำวรานานี่บรรดา ญ, ญาโยม ในด้านสุขกายสโกในตอนต้นเขาไม่เขาไม่ บ, งบังคับเรื่การภาวนาในตอนต้นนะ <c oughs> อันดับแรกจะฝึกต้นจริงๆให้ภาวนาว่าพุโทโธหรือว่าถ้าท่านผู้ใดาภาวนาอย่างไหนคล่องแล้วไม่ต้องเปลี่ยนยับยั้งทำภาวนาถ้าคล่องแล้วถ้ายังไม่เคยฝึกมาเลยให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธเวล า, าให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธ ทางนี้เว้นวตัวว่าการเจริญกรรมฐานไปจำกองพระกองกรรมฐานจริงนี่มีสี่สิบกองสี่สิบกองนี่มีคำภาวนาเป็นร้อยอาจจะถึงพันอย่างก็เลือกปฏิบัติตามทิยาัย <c oughs> แต่ว่าคำว่าพุทโธนี่ก็เป็นกองหนึ่งเหมือนกันที่เรื่อพุทธานุปฏิกรรมฐานเป็นกองต้นนี่ในตอนต้นข้าาจะพแต่บริษัทตามตำนี้ <c oughs> แล้วก็เวลาภาวนา นึกรู้ลมหใหญ่เข้าออกย้งอย่าใช้อารมณ์ให้เครียดส่วนใหญ่จะนิยมใช่อารมณ์เครียดกันถ้าเครียดมากทรงตัวมากถือว่าดีแต่ว่าถ้ามันเครียดพอดีพอ ด, พอดีจิตเป็นสุขใช้ได้แต่้ว่าถ้าเครียดเกินไปถึงการเลยอย่างนี้ใช้มันได้ที่เรียกว่าเป็นการเบียดเบียนตัวคืออัตตะกคลมฐานนิยม ถ้าเมียการเครียดเกินไปเมียการเหนื่อยก็ดีร่างกายตึงเกินไปก็ตามโปรดิสสะมุนิสสะก็ตามอย่างนี้ใคลายอารมณ์ออกแล้วปล่อยใจสักประเดี๋ยวหนึ่งเริ่มทําแบบส บ, บายๆย้ายเครียดตามนั้นถ้าเครียดไม่มีทางบรรลุมรรคผลแล้วไม่ได้อะไรเลยจิตไม่เป็นสุขแล้วก็จง n ย้าให้ย่อหย่อนเกินไป <c oughs> ถ้าไม่ย่อหย่อนก็หมายความว่าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีพิจารณาก็ตาม อยากจะได้อย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะเป็นปะโสดาสีธาคานาค า, ารหันอยากจะพูดทรงชน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเรก็ว่ากันเลยไปถ้าไปคิดอย่างนี้ร่วมโดยเวลานั้นจิตไม่เป็นสมาธิย่อดหย่อนเกินไปฟุ้งซ่านเกินไปท่า <c oughs> นท่านให้ใช้อารมณ์มัจฉาปฏิบัทาคือทำแบบสบายบาย ให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจออกก็รู้ภาวนาตามก็ทราบแบบจิตเป็นสุขถ้าทําได้อย่างนี้นาะทีหนึ่งสองนาทีสนาทีก็ตามก็ถือว่าเป็นผู้ทรงฌานขณะใดที่รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกไม่นึกอย่างอื่นควบก็ดีแลนะขณะใดที่รู้คำภาวนาไม่นึกอย่า ง, ไ ม, างไม่นึกอื่นเรื่องอื่นควบก็ตาม <c oughs> เวลานั้นถือว่าจิตว่างจากกิเลส ที่พระพุทธเจ้าทรงต่งคำสารลีบุตรว่าสารีบุตรตะดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดทําจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งตาทาคตรเขกล่าวว่าบุคคลนั้นมีจิตไม่ว่างจากฌานคําไมาชั่วขณะจิตหนึ่งมาเราเดี๋ยวเดียวไม่ถึงนาทีเวลานั้นจิตไม่คิดถึงเรื่องความรักความโลภ ค, ความโกรธความหลงทุกอย่าง คิดอย่างเดียวว่าเวลานี้ให้ใจเข้าหรือให้ใจออกเวลานี้ภาวนาถูกต้องไหมถ้าอารมณ์อยู่แค่นี้ถือว่าเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสถ้าทําได้อย่างนี้วรรณะหน่อยก็ขอที่ถือเรื่องธรรมดาจะมีอา น, นิสงส์ใหญ่นี่พระพุทธเจ้าสงกราวว่าจิตของุคนนั้นพูดส่งชาน <c oughs> <c oughs> นี่พูดกันถึงตอนต้นก็นพูดกันเพียงแค่นี้โยมญาติโยมนขึ้นต้นของทําเหมือนกันหมด วันนี้ก็จะข อ, อนําเรื่องราวของพระสูตรเอามาคุยกบับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นพระสูตรเป็นบุคคลตัวอย่างแต่ว่าพระสูตรบุคคลตัวอย่างวันนี้เป็นพระสูตรเป็นสูตรของพระอาหารหันต์ถึงมาว่าจะเป็นปฏิปาทาทิงความไปพระอาหารหันต์ก็ตามใ น, นเมื่อเรายังไม่ได้พระอรหันต์ถ้าบังเอิญเราทําจิตเหมือนท่านวันหนึ่งสักนาทีสองนาทีจะถือว่าจิตว่า จิตปอดใจกิเลสอย่างดียิ่งวันหนึ่งมี24ชั่วโมงแต่เราทำเหมือนท่านตักสองสามนาทีได้ก็ถือว่ามีอานิสงส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นการก้าวไปเข้าใกล้ถึงความเป็นพระหรันคือเขาเรียกว่าค่อยๆฝึกเป็นพระหันไปทีละน้อยๆ <c oughs> การที่ใช้กำลังวิปัสสนาญาณขั้นสูงอันนี้ต้องถือว่าเป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูง เขาบอกว่าเป็นวิปัสนาญาณขั้นสูงมันทีญาติยอมพุทธบริษัทจะบอกว่าไม่ไหวแล้วทํายาก<ม>ก็ฟังเรื่องราวของท่านต่อไปว่าวิปัสนาญาณขั้นสูงเขาทํำยังไง <c oughs> เรื่องราวก็มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมม า, าสัมพุทธเจ้าทรงมีพระชนอยู่ค<ม><ม>วามจริงพระพุทธเจ้าคือพระบรมครูนิเทศทุกวัน<ม><ม>ตอนสายๆพระองค์ก็ทรงเทพโปรดพุทธบริษัท ตอนหัวค่ำถ้ามีโอกาสก็ทรงเทศหลดพุทธบริษัทการฟังเทศนี่ก็มีทั้งพระทั้งภิกษุณีพิสุภิษุณียบาสุกบฏิการพร้อมต่างกลนต่างก็ฟังเทศมาฟังเทศจบจดจําได้แล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติ <c oughs> และก็มีหลายๆท่านขณะที่ฟังเทศพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดตามไปใข้ควรตามไปตามกระแสพระสัทธรรมเทคนา เมื่อเทศจบส่วนใหญ่ก็เป็นประโสดาบันบ้างพระสีธาคามีบ้างเป็นพระนาคามีบ้างเป็นพระอรหันต์ก็เยอะนันเพียงแค่ฟังเทศจบเดียวท่านก็เป็นอราหันต์กันได้เป็นประสูตดากีธาคานาคากัน <c oughs> ทั้งนี้เพราะว่าบุญบา ร, รมีท่านพร้อมท่านรรมีบา ร, รมีเต็มเรื่องบา ร, รมีนีเระบังคับก็ไม่ได้กาเกณฑ์ไม่ได้ ได้ว่าเวลานั้นก็มีพิษุนีท่านหนึ่งชื่อเดียวกับเมื่อคืนนี้คือบทือท่านรูปนันธาแต่ว่าคนละคนเมื่อคืนที่คุยกันเป็นเรื่องของนางรูปนันธาวันนี้รูปนันธาเถรีอีกองค์หนึ่งต่างหากท่านชื่อรูปนันธาเหมือนกันท่านรูปนันธานี่เข้ามาบวชในเพื่อศรัทธาอยู่หลายเดือนฟังเทศเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่หลายครั้ง ก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลแม้แต่ปโสโดดาบันต่อมาวันหนึ่งวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงเทศน์ไตรรัตนญาณกล่าวถึงอนิจจังทุกขังอนัตตา <c oughs> ทั้งกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจังทั้งหมดมีความไม่เที่ยงทุกอย่างมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทากลางมีการสลายตัวไปในที่สุด แม้แต่ชีวิตมนุษย์ของใสต็เอาแน่นนอนอะไรไม่ได้อย่ถือว่าเกิดแล้วมีอยายุครบอายุไขาตายก็ไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> บางคนตายเมื่อวัยเป็นเด็กบางคนเมื่อตายเมื่อบางคนตายเมื่ อ, อวัยเป็นเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนก็ตายเมื่อวัยกลางคนบางคนก็ตายเมืแก่ฉะนั้นขอเธอทั้งหลายจงหย่าสนใจในร่างกายเกินไปจงอย่าสนใจในรูป ให้ถือว่ารูปทุกวระเภทจะเป็นรูปคนก็ดีรูปใส่ ก, ก็ดีรูปวัถตถุต่างๆก็ตามมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนในท่ากลางมีการสลายตัวใ น, นที่สุดถ้าเรายังติดพันอยู่กับรูปอยู่เมื่อไรไม่ว่ายังมีการเกิดอยู่เมื่อไหร่ความทุกข์ก็มีกับเราเมื่อนั้นเมื่อไรถ้าเราดับความติดไปรูปเสียได้คือว่ารูปไม่ใช่เราไม่ใช่เ ร, ใช เ, รเราเราไม่มีในรูปรูปไม่มีในเรา คิดว่าความตายอาจถึงเราวันนี้อยู่เสมอให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเราอาจจะตายเมื่อสมัยเป็นเด็กแหนุ่มสาวก็ได้เราอาจจะตายเมื่อวัยกลางคนก็ได้เราอาจจะตายเมื่อความไปแก่ก็ได้ต้องคิดต่อไปว่าทาร่างกายมันตายเมื่ อ, อไหรขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรมก็ดีจะไม่มีสําหรับเราต่อไปอีกเพราะเป็นแดงของความทุกข์เราต้องการจุดเดียวคือปณิพันธ์ คือความดับจากกิเลสทั้งหมดนั่นก็คือพระนิพพาน <c oughs> อย่างองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเทศ์อย่างนี้แต่ท่านเทศ์ละเอียดมากกว่านี้พอเทศ์จบท่านรูปนันทาเทลีก็ยังไม่ได้ไปโสดาบันยังไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะว่ากบันนานองค์นี้บวช น, น, นอนนอนทั้งสองสามเตือนแต่ว่าคืนนั้นพอกลับมาถึงกระท่อมพอจะขึ้นกระท่อมที่พัก ก็ตักน้ําน้ําเอากระโหลกตักน้ํามาล้างเท้าพอตักน้ําล้างเท้าน้ำก็น้ําก็ไหลออกไปไหลไปหน่อยหนึ่งก็หยุดซึมไปในดินท่านก็มีความรู้สึกว่าน้ําไหลไปจากเท้าที่ลาดลงไ ป, ใ, ไปใกล้เท้ามากซึมในดินแห้งหมดก็เหมือนกับคนรละัตว์ที่เกิดขึ้นมาแล้วตายเมื่ออายุเด็กเด็กหรือวัยหรือหวัยหนุ่มใบสาววัยต้น เอาน้ำรังเผาอีกกระปุกหนึ่งอีกกระบวยหนึ่งตอนนี้น้ำก็ไหลเลยก็เก่าไปนิดหนึ่งเพราเพราะเก่ามีน้ำซึมอยู่แล้วพอถึงจุดแห้งน้ำก็หยุดแห้งลงไปอีกใต้คิดว่าไอ้ข้อนี้ก็เปรียบเป็นคนนี้ตายในสมัยวัยกลางคนต่อมาก็น้ำในกระบวยที่สามราดอีกน้ำก็ไหลเลยไปน้ำไปนี้ก็แห้งเหมือนกันก็รวมความว่าท่านคิดว่าคนก็ดีเราก็ดีสัตว์ทหลายก็ตาม ย่อมมีความตายในขณะที่เกิดขึ้นคือตายเป็นเด็กบ้างตายเปนความเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างตายวัยกลางคนบ้างตายสมัยแก่บ้างนี่ขึ้เนเชื่อว่ามีชีวิตอยู่เป็นแดงของความทุกข์ไม่เห็นความสุขเราไม่ต้องการชีวิตนี้ต่อไปขึ้นเชื่อว่าร่างกายประกอบไปได้วยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่ารูปเราไม่ต้องการมาอีกถือชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่ครองขันห้าแบบนี้ พอคิดเพียงเท่านี้บรรดา ท, ท่านผู้บริษัทท่านดูบันาธาเุรีก็ตัดกิเลสไปสมุติเฉตระาหาัรเป็นพระหันเดียวนั้นก็เรียกว่าองค์นี้บรรลุอลหรหันต์ขณะที่ร่างเทา้า <c oughs> <c oughs> ก็ลองช่วยกันคิดดูว่ากรรวิปัสสนาญาณเบื้องสูงเขาคิดกันแค่นี้ไม่ใช่มากถ้าว่ากันตามตราจะรู้สึกว่าหนักใจให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงดูเราก็ได้ดูเขาก็ได้ ถ้าดูร่างกายของเราไม่เห็นก็ดูร่างกายคน อ, อื่นแล้วก็โยนคิดว่าร่างกายคน อ, อื่นกับร่างกายเรามันก็มีสภาพเหมือนกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเหมือนกันมีความแปรปรวนในท่ามกลางเหมือนกันมีการสลายตัวในที่สุดเหมือนกันเพราะว่าเขามีอะไรเราก็มีอย่างนั้นเขามีหนังเราก็มีหนังเหมือนเขาเขามีเนื้อเราก็มีเนื้อเหมือนเขา เขมีเส้นมีเอ็นแต่เขากเราก็มีเส้นเรามีเส้นเอ็นเือนเขาเขามีกระดูกแล้วก็มีเหมือนเขา <c oughs> ความทรงนนชีวิตของเขายืดได้เพราะอาหารชั้นใดชีวิตเขาเราก็ทรงได้เพราะอาหารชั้นนั้นฉะนั้นเมื่อเขาเกิดขึ้นมาเขาตายได้เราก็ตายได้เขาแก่ได้เราก็แก่ได้เขาป่วยไข้มันสบายเราก็ป่วยไข้มัสบายได้ก็ขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นมนุษย์ไม่เป็นดินแดนในความสุขเป็นดินแดนในความทุกข์ เราค่อยๆตัดทีละน้อยๆคือเอาทุกวันนิดตั้งเวลาไว้โดยเฉพาะจะเอาหัค่ำหรือเช้ามืดตื่นนอนใหม่ๆด้วยวลาไหนก็ได้คิดว่าเราจะทรงอารมณ์อย่างนี้สักวันละสองนาทีหรือสามนาทีเป็นอารมณ์ของพระอารหรันต์แต่บรรดาญาโยมพุทธไวสัยอาจจะคิดว่ามันเวลาน้อยเหลือเกินเวลาต้องยี่สิบสี่ชั่วโมง แต่เราทําจิตใจให้ปรองตนอย่างนี้วันละสองสามนาทีมันจะมีผลขนาดไหนก็ต้องขอต่อว่ามีผลมหาศาลเพราะว่าบุคคลที่ยึมรู้เขานิพพานได้จริงๆเบราหานเขาใช้เวลานิดเดียวพยายามสะสมกําลังใจโดยวันละสักสองสานาทีทําให้ได้ทุกวันไม่ต้องนั่งขัดสมาธิแต่นั่งแบบไหนทํางานอยู่ก็ได้กินอาหารก็ได้นั่งคุยกัก็ได้ตามใจชอบ ให้ความรู้สึกอย่างนี้ไม่เกิดว่าชีวิตทุกชีวิตเกิดมาแล้วต้องตายทั้งหมดก็ก่อนที่จะตายก็เต็มด้วยความทุกข์ไม่มีใครมีความสุขขึ้นชีวิร่างกายคือชีวิตอย่างนี้เราไม่ต้องการอีกข้อมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายตายเมื่อไรก็ขอไปในพรานมานั้นตั้งใจนิดเบาๆขนาดนี้นะ <c oughs> แล้วต่อไปการสะสมตัวมันจะมีทุกวัน ถ้าวันละสองนาที1ิบวันมันก็20นาทีถ้าร้อยวันก็ได้200นาทีการสะสมตัวมาเจีเด็กน้อยอารมณ์ชินแบบนี้จะไปกรากฏผลเมื่อเวลาที่เราใกล้จะตายเพราะเราเป็นคนเห็นทุกเหห์นิจจ์ฮะทุกขังอนาตาอยู่แล้วพอเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายจริงๆบรรดาท่านาพุทธบริษัทยอย่าลืมว่ากิเลสที่เป็นข้องใจเราจริงๆนั้นมีอยู่สอย่าง ตามแบบท่านเขียนสามอย่างแต่โลภะกับราคะท่านไปบวกกันว่า เ, เหมือนกันก็เลยเข้าใจยากขอแยกกหัดว่าราคะหนึ่งความรักโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง ก, กิเลสที่่วงเดียวเราใต้ใเบนไว้ตายเกิดในวัฏฏะเอาก็ตามชื่อแล้วมีสี่อย่างด้วยการมีสาตอนนี้เวลาที่เราจะ ฆราวาสถ้าจะไปนิพพานได้จะเปรารหันได้ต่อเมื่อวันนั้นจะต้องตายฆราวาสนเปรารหันก่อนไม่ได้นะถ้าเป็นระโสดาคีทาคานาคามีก่อนนี้ได้กี่ปีก็ได้ถ้าจะเปรารหันเป็นวันนั้นก็นิพพานบั น, นั้นพระร่างกายฆราวาสไม่สามารถจะทรงความเป็นพระอรหันได้ก็ต้องเส้นเกีตไว้ว่ากิเลส ข, ของเรามันมีอยู่ชื่อตอนนี้เวลาที่เราป่วยหนักจริงๆ เมื่อป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นทุกคนมองเห็นทุกชัดเพราะเวลานั้นมันมีแต่เวลาทุกอย่างเดียวไม่มีเวลาสุขเวลาเวลาป่วยไข้ไม่สบายคําว่าทุกขเป็นตัวต้นของอริยสัจเราเห็นชัดเพราะร่างกายเรามีทุกข์ก็เข้าใจในความทุกขในเมื่อความทุกข์อย่างนี้เกิดขึ้นเรี่ยวแรงมันไม่มีกําลังวังชาก็ไม่มีแล้วเพราะป่วยหนัก ตอนนั้นทุกคนก็ลองคิดดูว่าความรักในระหว่างเพศมันจะเกิดกับเราได้ไหมมันต้องไม่มีไปแล้วเพราะมันแย่ความโลภอยากจะร่ํารวยจะทํามาให้กินมีไหมร่างกายก็รู้ว่าขึ้นความรู้สึกอย่างนี้ไม่มีความโกรธคิดจะไปเค่งฆ่าใครเขามีไหมในเมื่อป่วยหนักอยางนั้นมันก็มี ม, มีแต่ทุกขเวทนามาเจ็บน่วนปวดนี่นึกไปออก แต่การหลงไหลไฟฝันในร่างกายมีไหมตอนนั้นในร่างกายหลงไหลไม่ได้แล้วก็มาปวดหนักมีทุกขเวทนาหนักกระมวลความว่าเวลาที่ป่วยหนักเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสทั้งสี่ตัวกิเลสที่มันเครื่องรอยรัตให้เราเวียนว่ายใจเกิดตัวตั้นมาว่างมันมีแต่ทุกขเวทนาเราเห็นได้ความทุกขในเมื่อเกิดเข็นในความทุกขเราก็ชิงกับการคิดว่าการเกิดมาเป็นทุกอย่างนี้ที่วัตถุวันวันละสนาทีอารมณ์มันชิง อารมณ์ชินเวลานั้นอารมณ์จะเกิดรวมตัวจะมีความรู้สึกว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดเข้าร่างกายเราไม่ต้องการร่างกายต่อไปอีกร่างกายมันมีทุกอย่างนี้เวลานั้นอารมณ์จิตจะโปร่งจะเป็นสังขารูปเกิดขายหาดมันจะวางเฉยในร่างกายทั้งหมดร่างกายจะเจ็บจะปวดมันรู้ว่าเจ็บจะปวดแต่ความรักในร่างกายไม่มีมก็ หากว่าญาติโยนหลายญาถามว่ามันเป็นไปนได้ยังไงอันนี้ก็ขอตอบว่าเขาซ้อมกันมาเยอะแล้วนะเป็นไปตามนี้แน่แต่ในเมื่อมีความเข้าใจว่าร่างกายเราไม่ต้องการในความมันไม่ต้องการในร่างกายอีกจิตเป็นสังขารุเปฆายานันคําว่าสังขารุเปฆายานหมายถึงวางเฉยในร่างกายว่าร่างกายมายาพังก็เป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของร่างกายจิตเพีงคิดเพียแท้นี้บรนดาแต่บริสัทธ์เวลานั้นจิตบ้างจากกิเลส ถ้าตายเวลานั้นก็ไปนิพพานทันที <c oughs> นี่ว่ากันเรื่องถึงการคิดง่ายๆกเขาทําก็บแบบนี้ก็ทําก็ไม่ยากหรอก <c oughs> ตอนนี้ก็ดูตัวอย่างอีกท่านหนึ่งความจริงการเยเมนุมะขุนนี่ต้องอาศัยบา ร, รมีเหมือนกันจะมีหลายๆคนอาจจะถามว่าทุกวันวันเวลาทั้งหมดจะมีครอบครัวบ้างจะมีการทํามาห้ากินมังลเลี้ยงลูกเลี้ยหลานมางกระจงงองแงา ใจเต็มไม่ได้ความวุ่นวายของอารมณ์ของกิเลสความความขาดข้องอยู่อยู่จะไปนิพพานได้ยังไงต้ง น, นี้ก็ขอยกตัวอย่างสักท่านหนึ่งคือท่านพายิยะท่านพายิยะนี่ต้องขอถือพูดถึงบา ร, รมีเก่าก่อนนะมันมีเวล า, เ, วลาเหลือแปดนาที <c oughs> บา ร, รมีเดิมก็ต้องมีอย่างนี้ต้องบอกว่าหลังจากเมื่อพระพุทธกระศบ นิพานไปแล้วไม่ใช่พระอรหันต์กระสบนะพระเจ้าองค์ก่อน <c oughs> พระพุทธเจ้าองค์ก่อนองปัจจุบันนี้องค์หนึ่งนั่นคือพระพุทธกระท่านประก า, าศพระศาสนาแล้วท่านอนิพานไปแล้วปลายาศาสนาของท่านปรากฏว่ามีคนคณะหนึ่งห้าคนมีพระห้าองค์ตัดสินใจว่าเราจะปฏิบัติไปว้นย่อยเขาต่ําๆนี้ให้บรรลุมรรคผล ถ้าบังเอิญไม่บรรลุมรรคผลเรื่องใดเราก็จะไม่ลงใ จ, จย่อเขายอมตายที่นั่นเมื่อทั้งหมดทําพระองค์ตายขึ้นไปแล้วพอขึ้นหมดก็ผลักบันไดแล้วพระองค์ล้มลงมาลงไม่ได้เขาชันวันแรกปรากฏว่าพระหน้าใหญ่เป็นพระหรหันคืนแรกไต้สีท่านยังไม่ได้พระหน้าใหญ่เป็นราหันพร้อมด้วยปัญญายิ่งบอกกับท่านสีท่านบอกผมจะบินาบาตมาเลี้ยง พระอีสีองค์ก็ถามว่าเราสัญญาหรือว่าใครบรรลุมรรคผลก่อนจะเลี่ยงกันพระผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่มีท่านบอกไม่มีก็ไม่ต้องเลี่ยงกันอย่าเลียงเลี้ยงมันเคยตัว <c oughs> วันนั้นยอมอดต่อมาวันที่สององค์รองลงมาได้พระอนาคามีก็จะไปปฏิบัติมาเลี้ยงอีกแหละทั้งสามองค์ก็บอกไม่ต้องเลียงเราสัญญาไม่มี ต่อมาทั้งสมองค์ไม่ได้อะไรเลยต่างโกนต่างทําสมาธิไิจิตก็ไม่เด่รู้มาขนตายไปอีกสามคนทว่าทั้งหมดตายไปองค์ต้นตายไปนิพพานองค์ที่สองตายไปก็ไปอยู่พรมพรมชั้นที่16เป็นพรมนาคามีอีกสมองค์ก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกแต่พอสมัยพระเจ้าทรงอุบายนขึ้นในโลกทั้งสมองค์ก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ มาบวชเป็นพระเป็นพระรหันสององค์แต่อีกท่านหนึ่งไม่ได้เป็นพระรหันมา อ, อยู่เป็นคนขีลงมาด้วยกันได้อยู่นคนละเมือง <c oughs> อีกท่านหนึ่งก็เป็นพ่อค้าชื่อจริงจริงท่านยาวมากต่อมาผู้เจ้าท่งเรียกว่าพายะต่อมาท่านเป็นพ่อค้าสมเภาเรือแตก <c oughs> พวกคนที่ไปด้วยตายหมดท่านเกาะกระดานแผ่นหนึ่งอาศัยบุญบา ร, รมีที่จะเป็นรหันไม่อยู่ ก็ลอยเข้ามาถึงถึงท่าเขาชาประโมงท่าเรือชาประโมงพอท่านขึ้นไปแล้วผ้านุ่มมันก็มีเมล็ดหมดก็มีความนอายจริงเอาเส้นใยเก่าๆแห้งๆมาพันตัวแล้วถือกระเบื้องแตกๆ แ, แล้วถือกระโหลกลากระตามนะับบินำบัตรชาวบ้านพวกนั้นเขาหลงไหลใฝ่ายฝันว่าหัรพระพุทธเจ้าเกิดแล้วบุบัติแล้วแต่ว่าเขายังไม่ทราบอยู่ไกลกันคนแต่นั้น แต่ว่าคำว่ า, วาอารหันเนี่ย ม, มีอยู่ในการก่อนเขานิยมกันชอบประราหานแต่ยังไม่รู้ว่าใครประธานแน่ใครทำตัวพิเศษนิดหนึ่งก็คิดว่าคนนั้นเป็นพระอรหรันต่อมาก็เห็นว่าท่านพายะมีเสร้อ่เก่าแก่แข้งแห้งมาพันตัวมีกระเบื้องแตกๆมาขออาหารกินก็คี่ว่าเป็นพ ผ, ผู้มากน้อยสันโดษคิดว่าท่านคนนี้เป็นพระอรหัน ต่างคนต่างก็บูชาต่างคนก็ต่างเลี้ยงท่านมีความสุขต่อมาท่านพยะก็มีความรู้สึกในใจจิตมันกำเริบกิเลสมันทับคิดในใจว่าบุคคลใดที่ประกาศตนเป็นพระอรหันต์ในโลกนี้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นพระอรหันต์เห็นไหมเอาก็แล้วไปละเนี่หลงในลาบ <c oughs> พอคิดอย่างนั้นไม่คิดผิดมากคิดอย่างนี้เป็นบาปหนัก ต่อมาต้องคืนเพื่อนกันที่เป็นพระนาคามีไปเกิดเป็นพรหมก็ลงมาบอกบุภัยยะเธอจงอย่าหลงตัวเองเธอไม่ใช่พระรหันต์เวลานี้พระระหันต์จริงๆอุบัติขึ้นแล้วในโลกแล้วสามารถสอนคนอื่นให้เป็นพระระหันต์ด้วยเวลานี้อยู่เมืองโนนหากจากนี้ไปร้อยยี่สิบโยชนเธอจงไปที่ด้านเธอฟังเทศเธอย่อดเป็นอรหันต์ เพียงเท่านั้นท่านพยะฟังแล้วตื่นจากที่นอนก็ออกเดินทันทีท่านใช้เวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเดินบรรลุสุดทางร2 0ยยโยต์แต่ตามอัตถาจารย์บอกว่าเทวดาหรือผมช่วยพอเข้าไปถึงวัดที่พระพุทธเจ้าอยู่เวลานั้นเป็นเวลาเช้าองค์สมเด็จพระรมโกไปบินบำบาทแต่พระที่อยู่ด้วยถ้าเป็นบินบบากลับมาแล้วกาลังฉั น, นเวลานั้นฉันแยกกัน <c oughs> ก็เข้าไปหาพระถามถึงพระพุทธเจ้าพระก็บอกว่าพระพุทธเจ้ากําลังเป็นบาตรอยู่ในเบืองขอให้โยมนั่งพักก่อนอแล้วก็เอาน้ํามันทาเทา้ทาเสียทา้ามันแตกท่านพายะก็บอกว่าเวลาครู่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าจะมาก็ไม่แน่นักว่าผมจะตายก่อนหรือพระพุทธเจ้าจะนิพพานก่อนคือ ท, ที่ว่าชีวิตเป็ของเป็นของไม่เที่ยงในความตายเป็นของเที่ยงผมอยู่ไม่ได้ต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้า <c oughs> ท่าก็ออกจากวัดเข้าไปในตลาดไปเพราะพระพุทธเจ้าผูดีกําลังเดินเพื่อบิณฑบาตก็ไปกราบที่เท้าของท่านขอฟังเทศพระพุทธเจ้ามองดูคิดว่าคนนี้มีปีติมากเกินไปคือความอิ่มใจมากเกินไปปีตินี้ถ้ามากเกินไปไปแล้วฟังเทศไม่มีผลพุ่งสัน้นพระพุทธเจ้าทรงยับยั้งว่าภายยะเวลานี้เป็นเวลาบิณฑบาตยังไม่ใช่เวลาเทศรอก่อนเพราตมันจทากลับก่อน ท่านพายะก็เสียกำลังใจแต่ใจลดลงมานิดปิติลดลงแล้วก็ขอร้องอีกพระเจ้าก็ยับยั้งเป็นครั้งที่สองปีติก็ลดลงต่อมาท่าขอร้องเป็นครั้งที่สามไม่กำลังใจตกลงพระเจ้าเห็นว่าเวลานี้ปีติสมควรที่ฟังพระพธรรมเทศนาได้เจนนันองค์สมเด็จไปจอมใจจึงตัดเทศสั้นๆเป็นพระที่ฟังเทศสั้นที่สุดต่เวลาผนพร้อมไปสมมิทายาน ท่านทรงเทศว่าภริยะเธอจงอย่าสนใจในรูปแค่นี้เองง่ายดีไหมเท่านี้ท่านเป็นหันพร้อมไปสัมมิทายันในขณะนั้นทันทีแต่เวลานั้นาภริยะขอบวชพระเจ้ากทรงตรวจ ด, ดูว่าเคยทำบุญเคยทำบุญถวายผ้าไตรจีวรไหมในพุทธศาสนาหรือเปล่าก็ปรากฏชาติก่อนไม่เคยทำถ้าชาติก่อนไม่เคยทาทรงให้บวชไม่จะไม่มีผ้าลอยมาจากอากาศสมกาย ท่านยิงบอกว่าพายะถ้าเธอต้องการจะบวชเธอจะไปหาผ้าไตรจีวรมาถ้าได้มาแล้วตวถาคตจะบวชให้อาศัยที่ท่านไม่เคยถะไหวผ้าไตรจีวรในพุทธมในพุทธศาสนาเมื่อเวลาเดินออกไปห่างจากพระเจ้าพระเจ้าหลีกมาเวลานั้นนางยักษีหนีแปลงแปลงเป็น ว, วัวเวุู้ อ, อ่อนฝิดตายนิพพานในสถานั้นกระงความว่าที่ท่านพายะฟังเทศสัสั่งพระบุญบา ร, รมีเดิมเขามี คือในชายก่อนที่สมัยไทยศาสนาพระรพุทธศาสนาถ้ามันเป็นบา ร, รมีบนยอดเขาตั้งใจเพื่อความเปรารหันแต่มันไม่ได้บุญบา ร, รมีนั้นค้างอยู่เวลานี้ตอนหลังนี่มาพบองค์สมเด็จพระร่มกรูเทศสั้นๆว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปก็ได้เป็นพระรหรันต์รวมความว่าความเป็นพระรหันต์ทั้งสองอย่างท้งนิทะสองประสูนย์ที่กล่าวมาเรื่องรูปอย่างเดียว ดังนั้นขอบันดาญาโยมพุทธริสัทธาทุกคนโยฝึกละรูปเห็นว่ารูปเป็นปัจจัยเกิดในความทุกข์เป็นเหตุที่เกิดความทุกข์ปัจจัยประวิเหตุเรามีทุกข์เพราะรูปอย่างเดียวถ้าเราไม่มีรูปความหิวก็ไม่มีความกระหายก็ไม่มีความความป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีความแก่ก็ไม่มีความตายก็ไม่มี ความหิวมันก็เป็นทุกข์ความกระหายก็เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายก็เป็นทุกข์ความรดัดร่าจะคลอรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์อย่างนี้อาศัยรูปอย่างเดียวขึ้นชื่อว่ารูปอย่างนี้เราจะมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีสลับรปอีกเราต้องการนิพพานเพียงแค่นี้นะฝึกไว้ทุกวันนะเราวันนี้ฝึกความเป็นดั่งกันตอนนี้ไปบรรดาญาโยามพุทธบริษัท ท, ทุกท่านตั้งใจสมาทานศีล ส, สมาทานเป็นกรรมฐาน